50 languages. Fifty-five. Childhood. Work. Work. What do you do for a l ดิฉันทำงานเป็นนางพยาบาลวันละสองสามชั่วโมงแม่อาทิตย์หนึ่งคือ n u r ก e ทานกันติหอีกไม่นานเราจะได้รับเงินบำนาญจลธามีเพนชันมีเงินได้าีแต่ภาษีสูงมากแต่ภาษีสูงมากแต่แท่กแต่าษีสกแตาสแ่ภาษีสกันสูงภาพก็สูง और मेडिकल इंश्योरेंस महंगा है। नू याँ पेन आराय ने अनाकोट। तुम क्या बनना चाहते हो? नू याँ पेन विश्वकर। मैं इंजीनियर बनना चाहता हूँ। नू याँ पेन सिक्सा तौ ठी महाविद्यालय। मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहता हूँ। ดิฉันเป็นพนัก ง, งานฝึกหัดแม้ทรนนิ่งหดิฉันมีรายได้ไม่มากแม้จ่าได้ไม่กี่ก้าวาหดิฉันฝึกงานอยู่ต่างประเทศแม่มุลกเซบ้าฮารเทรนนิงกะราหนี่คือหัวหน้าของดิฉันยีมีเรบอสเฮ ดิฉันมีเพื่อนร่วมงานที่ดีมีมร์สัตว์กานกันวาล่์ชิลูกเนเราไปทานข้าวเที่ยงที่โรงอาหารเสมอลันช์กวกท์หัมฮัเมชแกนทีนเมจัตหดิฉันกำลังมองหางานแม่นอครีตลชกราหดิฉันว่างงานมาหนึ่งปีแล้ว